ก็เอลานุเอละที่ปักนั่งทำนประสงกาทำนิ้แล ะ, จะเจริญสึกตัองอูบายใจในทำทุกตักนั่งตามสบายนะโอเค ทำใจให้สบายตบายนั่งท่าไหนที่จะสบายก็ให้นั่งในท่านั้นแล้วก็ทำความรู้สึกตัวไปด้วย เ, เพื่อจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเพราะการที่เรามาปฏิบัติ ก็คือการมาทำความรู้สึ็จตัวถ้าขาดความรู้สึ็จตัวก็ไม่ใช่การปฏิบัติเพราะการฟังนั้นเป็นเพียงจ่วนหนึ่งเคยทำให้เราเร่รู้หลักรู้วิธีการ ว่าการปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติจัางไรถึงจะถูกทางถึงจะดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเราฟังเราไม่ทำความรู้ติดตัวมันก็ ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ตัวของสัตวถ้าหากว่าเราทำความรู้สึกตัวถึงเราจะฟังหรือไม่ฟังมันก็เกิดมันก็มีขึ้นกับกายกับใจของสัตวดังนั้นจุดสำคัญที่สุดของการปฏิบัติ ก็คือการทำความรู้สึกสุกการปลูกติดแต่ ว, วันนี้หลวงพ่อได้มีโอกาสขึ้นมาพูดมากรับมาให้ความคิดในแนวของการปฏิบัติแต่ความจริงหลวงพ่อก็ เข้ามาในวงการนี้ยังไม่นานเพิ่งจะเริ่มเข้ามาในวงการนี้ใหม่ๆคือเริ่มเข้ามาในวงการจริงๆก็เมื่อปีพศ2539นี้เองซึ่งนับว่ายังใหม่มากยังใหม่ใน วงการปฏิบัติฉะนั้นประสบะการณ์ในการปฏิบัติอาจจะไม่มากพอเพราะการปฏิบัตินั้นจะต้องอาศัยประสบะการณ์ในการปฏิบัติหลายทางด้วยค่ะเพราะในสมัยก่อนๆ น, นั้น ลวงพ่อได้อยู่ในวงการปริยัตมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่บวชเข้ามาบวชเข้ามาระจับเริ่มต้นการศึกษาปริยัตตลอดมาเพราะว่าการที่เราจะศึกษาปริยัตนั้นเป็นการเดินทางยาวมาก จะต้องใช้เวลานา น, านโดยเฉพาะการเรียนปริยัตปายบาลีเนะี่ยเป็นการที่เดินทางยาวมากบางคนก็เข้าใจว่าการที่จะเรียนจบได้ถึงประโยคข้าซึ่งเป็นประโยคสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานี้ มีน้อยคนนักที่จะเดินทางถึงจุดนั้นจะต้องใช้เวลานานบางคนเนี่ยศึกษาจนกระทั่งตลอดชีวิตก็ยังไม่สามารถที่จะจบได้เพราะว่าการศึกษาปริญญาั้นมันเป็นการยากเป็นการลำบากจะต้องเป็นผู้ที่มีความขยันมีความอด ฝ่าฟันอุ ป, ปรสรรคต่างๆมากกว่าสมควรและผู้ที่ผ่านการสอประโยคก้าวได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หุกของเราได้รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภซึ่งพระองค์ได้ถวายนิจญาพัฒ เป็นประจำตลอดชีวิตและขณะที่พระราชท า, านพัดประกาศนิยบัติพัยดยศเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จรพระราชท า, านแล้วก็จัดรถหลวงรับส่งถึงวัดซึ่งเป็นรถหลวงพิเศษ รถหลวงที่จัดต้อนรับประโยค์เก้าเนี่ยจะได้ใช้ปีละครั้งเดียวใครๆก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปนั่งได้ไม่ว่าจะเป็นพราตาชาคณะจะตลอดถึงขั้นสมเด็จก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้เขาจะจัดต้อนรับเฉพาะประโยคน์เ้าปีละครั้ง ที่ผู้ที่สอบผ่านประโยคเก้าผู้ที่ขึ้นไปนั่งได้เนี่ยจะขึ้นไปนั่งได้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านประโยคเก้าและใบประกาศสนียบัตรพัดยศเท่านั้นแม้กระทั่งว่าผ้าไตรกีวอนเอาขึ้นไปไม่ได้คือเขาไม่ให้อนุญาตให้ขึ้นผ้าไตรจีวอนขึ้นไปด้วย นี้จึงถือว่าเป็นเกียรติสำหรับผู้ที่สอบได้ประโยคเก้าแต่ถึงกับ น, นั้นก็ตามการที่สอบได้ประโยคเก้านี้ก็เป็นแต่เพียงปริยัตคือเป็นการศึกษาแผนที่ของการปฏิบัติ โข้อที่จบเนี่ยก็เป็นแต่เพียงได้จากตำลักตำรับได้จากเฉพาะแผนที่แต่วิธีการเดินทางหรือการเดินทางนั้นยังไม่มีหรือจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับเราที่ไปศึกษาเร่าเรียนหนังสือเนี่ยตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ออกจากป .6 ก็เข้าป .1 ปเ อ, อม1ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 แล้วก็เข้าเรียนในขั้นอุดมศึกษาเรียนปริญญาตรีปริญญาเอกพอจบป ร, ริญญาเอกเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รับผลอะไรคือมีงแต่ความรู้ที่ได้มาจากตำลักตำลาเท่านั้น การที่จบปริญญาเอกแล้วเนี่ยมาทำงานมาปฏิบัติงานมาปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ต่างๆตามหน้าที่ที่ตนได้ศึกษามาแล้วนี่คือหลักของการปฏิบัติภาคปฏิบัติเพราะเราได้เรียนทฤษฎีมาจนจบแล้วเราก็มาเข้าสู่ ภาคปฏิบัติแล้วผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ก็คือเงินเดือนที่ออกม า, ากแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราจะได้รับผลได้สัมผัสได้ลิ้มรสของผลของการศึกษาเราก็ตรงนี้การศึกษาที่เราศึกษาวานนานแรมปีหลายปี เราก็จะได้มาลิ้มรสตอนที่เต่ามาทำการแล้วกับเงินเดือนออกมานี่เองฉันใจเท่าศึกษาฝ่ายปริยัตก็เช่นเดียวกันเพราะสัต์ธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์วางไว้เป็นขั้นตอนสามขั้นตอนด้วยกันคือปริยัตปฏิบัตแล้วก็มีปฏิ ว, วัต การที่เราศึกษาปริยัติมาแล้วเรามาปฏิบัติการปฏิบัตินี้แกะออกผลออกมาให้เราได้ลิ้มชิมรสของพระสัจธรรมคือการที่มาปรึกมาอบรมจนกระทั่ง ธรรมะคือสัจธรรมเกิดขึ้นที่กายที่ใจแล้วเราถึงจะได้ลิ้มรสของพระธรรมที่แท้จริงถ้าหากว่าเราเรียนจบแค่ประโยคเก้าเรายังไม่มาปฏิบัติหรือว่าเรามาปฏิบัติแต่เรายังไม่สามารถที่จะทําความรู้สึกจนกระทั่งธรรมะ หรือสัตธรรมเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะลิ้มรสของพระสัตธรรมได้ต่อเมื่อเราปฏิบัติจนกระทั่งธรรมะเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราเราถึงจะได้รู้รสของพระสัตธรรมที่แท้จริงขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นหลวงข้อก็เช่นเดียวกันคือเมื่อจบประโยคเก้าแล้วความตั้งใจในตอนแรกแรก่อนนึกว่าจะเข้าปากพอจบประโยคเก้าเมื่อไรก็จะเข้าป่กพยายามหาวิธีการปฏิบัติให้ครบตามหลักของรัฐระมถัญให้ได้แต่พอจบประโยคเก้ามาแล้วเนี่ยหาระหน้าที่มันมากเหลือเกิน ทางสำนักบารีและสำนักธรรมต่างๆน้ต้องการตัวแล้วก็มนมนไปสอนไปปรรยายไปอบรมไปสอนจนแทบหาเวลาว่างไม่มีเรียกว่าหาระหน้าที่ของตัวเองตกไปเป็นภาระของปริยัติธรรมต่อไป ดังนั้นโชคตีในปีพศ2530เนี่ยหลวงพ่อได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะของพระธรรมทูตคือในฐานะของพระสงฆ์ไทยที่ไปเผยแพร่ธรรมคำจัสอนขององค์สมเด็จโตจมปาจ ำ, ำพุทธเจ้าให้อย่างลากลึกตรงใน พวกชาวตะวันตกพอเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฝรั่งในประเทศตะวันตกเนี่ยเขาจะไม่สนใจในเรื่องทานเขาจะไม่สนใจในเรื่อง พวกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องสนใจในเรื่องการปฏิบัติมาถามถึงหลักของพระพุทธศาสนามาถามถึงแก่นของพระพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาที่มีอะไรเป็นหลักสาคัญมีอะไรเป็นแจ่นของศาสนาสาระของศาสนาที่แท้จริงคืออะัก แล้วการที่เราจะตอบอธิบายขยายความให้แก่ฝรั่งเข้าใจนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาเป็นผู้ที่เรียนรู้เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติมีประสบะการณ์มาทางในด้านนี้พอสมควรดังนั้นในขณะที่หลวงพ่อไปใหม่ๆเนี่ย <c oughs> ก็เคยปฏิบัติมาบ้างแต่พอไม่ได้ปฏิบัติมาก คือปฏิบัติแบบยุบแบบคุธโกธมาแล้วพอไปก็ได้อธิบายให้แก่พรลังฟังในเรื่องสมถะเป็นส่วนมากและอาศัยหลักของปริยัติเป็นหลักในการอธิบายคือหลักของปริยัติที่ได้ศึกษามาเนี่ย เอามาเป็นประทัศฐานเอามาเป็นแบบอย่างอธิบายให้แก่พวกพลังเข้าฟังแล้วพลังเข า, เขาไม่ค่อยเข้าใจเพราะผู้ปฏิปปเพราะผู้อธิบายเองก็ยังไม่เข้าใจแล้วการภาพปริยัติน่ะนะพวกพลังเขาอ่านมากมากว่าเราเป็นอย่างมาก เขาจะศึกษาตำรับตำลาในเรื่องปริยัติมากไม่ว่าเป็นมหายาณจากญี่ปุ่นจากกีนจากทิเบตจากเวียดนามหรือจากในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเขาอ่านตำรับตำราพวกนี้มากจนกระทั่งในด้านปริยัติเขาเก่งกว่าเรา เขาสามารถอธิบายได้ว่ามหาอาจารย์มีวิธีการที่จะทำความสงบทางด้านจิตใจได้อย่างไรแล้วเถราวาดมีหลักในการปฏิบัติอย่างไรแต่เขาก็มีตั้งแต่ตำหรับำํำราได้ศึกษามาในด้านปริยัติเช่นเดียวกับเราเขายังไม่ได้สัมผัสกับ ความเป็นจริงของพระธรรมที่เขาได้ศึกษาเขาเริ่มเรียนมาเขาต้องการที่จะสัมผัสกับรสพระธรรมที่แท้จริงแล้วก็ได้พยายามพานั่งสมาธิอเรียกว่าในขั้นแ ร, แรกก็นั่งเอาเป็นเอาตายกันนะว่าน้นใครนั่งได้นานเท่าไหร่ก็ถือว่าคนนั้นมีสมาธิดีมีความสงบ แต่ก็ได้ผลพอสมควรเพราะว่าฝรั่งเขายังไม่เคยประสบในสิ่งเหล่านี้มาในศาสนาของเขาไม่เคยสอนเรื่องนี้มาพอเขามาสัมผัสกับความสรบแม้จะเป็นเตียงเล็กน้อยก็ตักแต่เขาก็บอกว่าเขาประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งในชีวิตของเขา ที่เขาแสวงหามาตลอดชีวิตเนี่ยยังไม่เคยพบยังไม่เคยเจ็บยังไม่ได้เข้าถึงจุดนี้เลยเพราะพลังนั้นเขาเบื่อในวัตถุกันแล้วคือวัตถุนิยมเนี่ยเขาเพียงพอเขาได้แสวงหาความสุขในด้านวัตถุมาตลอดชีวิตของเขาแล้วเขาก็ได้ วัตถุที่จนต้องการวัตถุที่จนราถนาทุกสิ่งทุกอย่างมาสนองความต้องการมาสนองสนองความสุขแต่ถึงกับนั้นเขาก็ยังไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงเขาก็ยังไม่ได้คำตอบว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ตรงไหน ทั้งที่ว่าเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการปรารถนาะไม่ว่าจะเป็นรถนั่งบ้านอยู่หรือเครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆเขาจะมีมาเสนอสนองความต้องการมาตอบสนองกิเลส ข, ของเขาทั้งหมดซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่เจริญที่สุดเป็นประเทศที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ขึ้นชื่อว่าอะไรอะไรที่โลกของเราไม่เปิที่จะมีได้ในประเทศสหรัฐอเมริกานี่ไม่มีไม่มีเรียกว่าเป็นประเทศที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดทุกคนทั่วโลกที่เข้าไปในประเทศนี้จะต้องยอมรับว่าเป็นประเทศสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ว่าปลาในาน้า นกปนป่าจัดป่านานาชนิดเนี่ยมีครบและป่าเขาตำเนาไครที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่นั้นดังนั้นเราขึ้นรถหานไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นพวกวางพวกเก้งพวกอะไรต่างๆเดินเป็นฝุงเป็นฝุงเหมือนกับฝุงบัวฝุงควายบ้านเรา แล้วปลาในน้ำของเขาเนี่ยถ้าจะเอาพวกตะข่ายพวกแห่เต่าเนี่ยไปวานลงไปรับรองว่าหายตามหาไม่เจอเพราะว่าพอวานลงไปเนี่ยแหนี่จะไม่ถึงน้ำเลยตัจะไม่ถึงบินเพราะปลามันเยอะเหลือเกินนกในบางแห่งเนี่ยบินขึ้นจนกระทั่งว่า แสงตะวันบทไปเลยเรียกว่าเป็นประเทศที่อุ ด, ดมสมบูรณ์มากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีกดแต่ความที่เขาอดเขาไม่มีนี่ก็คือความรู้สึกตัวคือสิ่งที่จะดาเนินไปถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตคือสิ่งที่เป็นแกนสารของชีวิตนี่เขายัางไม่มีเขายัางขาด เขายังขาดวิธีการที่จะไปสู่จุดนั้นจึงทำให้เกิดการสนใจในการปฏิบัติขึ้นมาแม้ว่าการปฏิบัติแนวทางของคดโทกนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบให้แกตัวเองอย่างแท้จริงว่าความสุขมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร พอตกมาในปีพศ2535นี่มีคุณหมอคงตัดได้เดินทางกลับมาเมืองไทยแล้วก็ได้หนังสือหลวงพ่อเทียนวิดีโอเทปของหลวงพ่อเทียนแล้วก็เทปของหลวงพ่อเทียนไปเรียกว่าคุณหมอนี่มีเท่าไหร่ซื้อไปหมดเลยตงนี้ ตามร้านต่างๆที่ขายหนังสือธรรมะในเมืองกับในกรุงเทพเนี่ยที่คุณหมอกลับมาเมืองไทยเนี่ยมาสี่คนในครอบครัวแล้วการที่จะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาอนุญาตได้คนละสองกระเป๋าสี่คนแปดกระเป๋าในคุณหมอขนหนังสือธรรมะของหลวงพ่อเทียนไปหมดทั้งเทปทั้งธรรมะได้แปดกระเป๋าพอดีแต่และกระเป๋านี่หนักถึงสี่สิบกิโล ถ้าคิแปดสี่สามสิบสองก็เท่ากับสามร้อยยี่สิบกิโลแล้วสามร้อยยี่สิบกิโลเนี่ยให้คุณโยมคิดดูว่ามันจะมีหนังสือมากเท่าไหร่แล้วก็มีเทปมีวิดีโอเทปมากเท่าไหร่แล้วคุณหมอพอไปถึงแล้วก็ได้เอาหนังสือของหลวงพ่อเทียน วิดีโอเทปของหลวงพ่อเทียนแล้วก็เทปของหลวงพ่อเทียนไปถวะบอกว่าให้อาจารย์ศึกษาดกเพราะว่าผมได้ศึกษาแล้วผมได้ทดลองปฏิบัติดูแล้วรู้สึกว่าเข้าท่าดีผมนึกว่ามันเป็นวิธีที่ถูกเป็นวิธีที่ตรงรัดตัดสู่มรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงม ก็เลยไปอ่านหนังสือดูเปิดฟังเทปของหลวงพ่อเทียนดูก็รู้สึกว่าเป็นคําสอนที่แปลกใหม่ซึ่งไม่ค่อยได้ยินและเป็นคําสอนที่ท้าทายของการปฏิบัติเป็นคําสอนที่สามารถที่จะปักกันวิธีการปฏิบัติได้ แล้วก็ไปเปิดดูวิดีโอเทปดูทีนี้แต่พอเห็นวิดีโอเทปขึ้นมาเนี่ยอ่อนใจอ่อนใจเพราะว่าไม่เคยเห็นวิธีนี้ขึ้นเคยเห็นกุปตินี้มา ก, ก่อนพอเห็นยกมือไปยกมือมาาสร้างจังหวะ เราไม่คิดว่าเอ๊ะการมาปฏิบัติมาทำสมาธิมาเนี่ยมันการยกมือไปยกมือมาเนี่ยมันจะทาความสงบได้ยังไงแล้วก็ลืมตาด้วยมันเป็นวิธีที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นวิธีที่ไม่สุขภาพสำหรับที่การเห็นไปใหม่ ก็เลยเก็บเทปเก็บวิดีโอเทปเก็บหนังสือไปเกรี้ยงเลยไม่เก็บไว้้อต่อมาเนี่ยปีนั้นเป็นปีที่พระที่ไปปฏิบัติศาสนกิจจะจบวาระลงทั้งหมดได้เดินทางกลับเมืองไทยแล้วเหลือรูปเดียวก็เลยนิมนต์ พระมหาสมชัยจากวัดคุทานอุสรเมืองฟรีมอนต์รัฐเจอริปนีมาเป็นพวกแต่พอมหาสมชัยท่านมาถึงเนี่ยท่านถามบอกว่ามีหนังสือวิธีการปฏิบัติหึือไม่แต่บอกว่ามีหนังสือเป็นวิธีการปฏิบัติของโรวงพอเทียนมีทั้งเทปมีทั้งหนังสือมีทั้งวิดีโอเทปด้วยแล้วพอ นั่นก็เลยพ่อไปท่านไปจุ่พอท่านไปดูเนี่ยท่านปฏิบัติเอาจริงเอาจังคือตื่นตั้งแต่ตีสี่ปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงหกโมงเช้าทำวัดปฏิบัติถึงเจ็ดโมงตื่นหนึ่งโมงเช้าแล้วก็ฉันเช้ากันพอฉันเช้าเสร็จแกก็ปฏิบัติจนกระทั่งถึงสิบเอ็ดโมง ก็ชันเพนพอฉันเพเนเสร็จก็ปฏิบัติจนกระทั่งถึงทุ่มนึ่งทำวัดพอหลังทำวัดปฏิบัติต่อจนกระทั่งถึงหกทุ่มทุกวันเคยปฏิบัติอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงประมาณสองเดือรู้สึกว่าลักษณะอาการต่างๆของท่านมหาสมชัยในได้แปรเปลี่ยนไปน คือเปลี่ยนปลกแปลเปลี่ยนไปจากสภาวเริมการพูดแต่ละคำนี้จะมีธรรมะขึ้นมาแล้วก็มาปารบที่จะกลับเมืองไทยเพราะว่าคิดถึงพ่อถึงแม่อยากจะมาสอนพ่อสอนแม่สอนพี่สอนน้องสอนอะไรให้รู้สภาวธรรมเช่นเดียวกันกับตน ซึ่งเป็นหลักของโู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าสู่อารมณ์ใหม่ๆเกิดได้อารมณ์ใหม่ไปจะมีสภาวะเช่นนี้แทบทุกคนแม้กระทั่งหลวงพ่ออยู่ด้วยกันเนี่ยแจกเอาพระยามสอนตลอดอสอนอยากจะให้ปฏิบัติอยากจะให้ทดลองดู ก็บอกว่าเอาไว้ก่อนท่านก็เลยบอกว่าอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะมีชีวิตอยู่นานถึงขนาดนั้นหรือก็บอกว่าอันนั้นไม่แน่นอนแต่เอาไว้ก่อนพอระยะที่มหาสมชัยมาอยู่ด้วยสามเตือนกลับไป ที่นี้อยู่รูปเดียวรอพระที่จะเดินทางไปจากเมืองไทยไปเสริมแทนพว ก, กี่หมดวาระแล้วก็พยายามที่จะลองดูเพราะว่าอยู่รูปเดียวการยกมือเนี่ยรู้สึกว่ามันเขินๆอย่างไรเลยแปลกยกมือก็จะไม่ค่อยขึ้นขนาดยกมือตอน แ, แรกๆเนี่ยอายกระทั่งตัวเองว่างั้นง นั่งยกมืออยู่คนเดียวเนี่ยไอยอยู่คนเดียวพอเห็นโยมมานี่รีบหยุดทันทีเพราะอายในที่สุดว่าเอ๊ะมันทั่นจะต้องไปนั่งทําอยู่ในที่ระพักที่ไหนก็ไม่สนิทใจเลยไปนั่งทําอยู่ในห้องน้ำเออกลัวโยมเขาจะมาเห็นว่าเอ๊ะพระองค์นี้ อยู่รูปเดียวเนี่ยคงจะสติไม่ค่อยดีแล้วมั้งนะคงจะคิดถึงบ้านถึงเมืองไทยมากแล้วก็คงจะสติไม่ดีคงจะเพื่อนอไปเที่ยนไปแล้วมั้งกลัวญาติโยมจะว่าอย่างนั้นก็เลยเป็นนั่งแอบทำในห้องน้ำต่อน้ำรูปเดียวยกมือไปยกมือมาเยาอะเคยจะยกมือที่ไรเข้าเป่าเข้าเป่าเข้า รู้สึกว่ามันแปลกเ็นรู้สึกว่ามันมีอะไรแตกตปาขึ้นมาแล้ววันหนึ่งนั่งยกมือไปยกมือมาในทั้งที่คิดอยู่คิดไปคิดไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าอย่างไงวันนั้นมันเกิดตัดความคิดึ้นมาแท็กเอ๊ะมันเป็นอะไรนะเราก็ไม่เคยมีวิจัยอย่าง เ, เราก็ไม่เคยมีอาการอย่างนี้กัี ก็เลยมาคิดว่าเอวิธีการปฏิบัตินี้คงจะเข้าท่าปะมะแล้วพอดีหลงข้อคำเขียนได้เดินทางไปสอนวิธีการปฏิบัติที่วัดจงเหยียนนครนิวหยกในปีกว่าสพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดพอดีก่อนท่านจะไปก็เลยนิมนต์ท่านไปที่วัดก่อนเจ็ดวัน แล้วก็ได้ปฏิบัติกับท่านแล้วก็มีโยมร่วมปฏิบัติมากพอสมควรแล้วพอท่านไปอยู่ที่วัดจงเกียอนออกพรรษาแล้วปนิมน์ท่านมาที่วัดอีกแล้วก็ท่านมาพาปฏิบัติอยู่เจ็ดวันอีกก็ได้ปฏิบัติตามท่านก็ ร, รู้สึกว่าอาการดีขึ้นพอสมควร แล้วก็เลยตกลงกับท่านว่าจะหาโอกาสหาเวลาไปปฏิบัติที่เมืองไทยเท่าที่มีเวลาให้เวลาอำนุยในปีพศ1539ซึ่งนัดกับท่านไว้พอดีพอตกมาถึงปีพศ1539 ก, ก็ได้เดินทางมาปฏิบัติที่วัดป่าอุปจก ก่อนที่จะเข้ า, าพรรษาไม่ขี่วัแต่การมาปฏิบัติที่วัดป่าสุขโตเนี่ยพอมาถึงก็เริ่มการปฏิบัติอย่างหนักแม้ว่าจะมีปุปปักต์ต่างๆทันห า, าเรื่องที่ตัวเองไม่เคยประสบพบเห็นในเรื่องยูงก็มากฝนก็ตกบ่อย แล้วความคิดมันก็โครงสร้านขึ้น ม, มามากความห่วงเหงาห่าวนอนมันก็โอ้โหมันรู้ตัวว่ามันความห่วงไม่รู้ว่ามาจากไหนมันแปลจริงๆทั้งที่วัดออกไปเดินจงกรมหรือไปสร้างจังหวะให้จบมันความห่วงเหงาหิวนอนนี่เมันไม่รู้วัดมาจากที่ไหน เดินไปเนี่ยเดินไปเดินมามันกลับเอาดื้อเนี่ยไปชนต้นไม้บ้างไปชนไอ้เสาไอ้กุติบ้างทั้งที่อยู่ห่างออกจากที่จงกรมเป็นสองวาสามวามันเดินไปชนได้ยังไงแต่เวลาที่จะไปนอนเนี่ยมันนอนไม่หลับไปนอนไม่หลับอา่า ไปนอนอยังไงก็ไม่ค่อยหลับทีเนี้ยแต่เวลามาเดินจงกรมเนี่ยมันหลับเอาเ ด, อเดือเนี่ยนั่งสร้างจังหวะเนี่ยมันหลับจริงๆแล้วก็พยายามนะพยายามฟังทีกก่าชิดอ่อนใจเหมือนกันว่าเอเราเนี่ยทั้งที่อยู่เมืองอเมริกานี่ก็มีความตกทุกอย่างไม่เคยมีความลาบากเลย เครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างทีครบหมดเราจะชันจะสั่งจะนอนจะทำอะไรอย่างเนี้ยจะซักผ้าจะทำสิ่งต่างๆนี้ไม่เคยยากไม่เคยลำบากแม้ตั้งแต่ไอการล้างมืออย่างเนี้ยมันสะดวกสบายมากขนาดที่เรายื่นมือเข้าไปในน้ำมันจะไหลตรงเองแล้วกแบบับเรา ยื่นมือเข้าไปจะมีตะปูมีไอศรีมตำรับที่จะไหลออกมาแล้วประตูประตูทุกแห่งเนี่ยเราเดินเข้าไปมันจะเปิดให้เหมือนกับเรามีลิ์มีเดชอะไรต่างๆเรียกว่าพอเราเดินเข้าไปในประตูมันจะเปิดลับเลยแล้วเราเข้าห้องน้ำเนี่ยพอเราตั้งตัวจะอัก เราน้ำมันก็ไหลลงมาให้เราอาบเองเรียกว่าพกสิ่งทุกอย่างในกระทั่งว่าเข้าห้องน้ำเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรพอเสร็จแล้วเราเดินหนีไปเลยนะไอาเซเครื่องของมันมาเก็ทำงานของมันเองอืเราไม่ต้องไปตักน้ำลดไม่ต้องไปตักน้ำลาดอะไรอ่ยมันทำหน้าที่ของมันเองทุกอย่างแล้วเราจะมาทนทุกข์ทรมานอยู่ทำไมวะนะ เรากลับจะไม่ดีแล้วแล้วมาคิดอีกแง่หนึ่งว่าเอ๊ะเรานี่ก็เคยผ่านอุปสรรคเคยทนต่อความลำบากยากเย็นมาตั้งแต่การศึกษาปริยัติมาพอสมควรแล้วถ้าหากว่าเราจะกลับไปเนะี่ยเราปลาญาติโยมทางอเมริกามาเรียบร้อยแล้วก็มาบอกญาติโยมที่ก้าฟที่ทางเมืองไทยบอกว่าจะไปปฏิบัติ แล้วถ้าหากว่ากลับไปเนี่ยเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ชงนะกระทั่งว่าเราเองปจะบัดปัดต่อตัวเองคือให้ทําตามคําที่ตนเองอธิษฐานไว้ตั้งใจไว้เนี่ยเราจะเป็นมนุษย์ไปได้ยังไงเราจะเป็นพระไปได้ยังไงอย่างไรก็ดีเราจะต้อง เอาให้ได้เราจะต้องทนต่อการลําบากให้ได้ไม่ว่ามันจะลําบากเึียงเทียงไรเราก็จะพยายามที่จะต่อสู้จะกดดนให้ได้จะเอาชนะให้ได้แม้ตั้งแต่การที่เราเรียนปริยัติเนี่ยมีคนที่ดูถูกมากมายว่าอายุมากถึงขนาดนี้จะไปเรียนได้อย่างไรแต่ก็สามารถ ทานมาได้แม้ว่ามันจะยากเกินแตกเท่าไหร่นี้การปฏิบัติของเราในขั้นปฏิบัติเนี่ยจะยากเกินยังไงเราก็ต้องพยายามดังนั้นจึงตั้งใจไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นก็าตากได้ตกลงตั้งใจในการปฏิบัติเริ่มเตือนตั้งแต่วันแรกมาหกชั่วโมงเจดชั่วโมงแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงสิชบชั่วโมง จนกระทั่งในที่สุดเดินวันละสิบเจ็ดชั่วโมงหรือทั้งเดินจนแก่นั่งวันละสิบเจ็ดชั่วโมงนอนวันละสี่ชั่วโมงบอกว่าตายเป็นตายถึงถ้าจะตายจริงๆเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ตายเราอยู่บ้านก็ตายอยู่ที่ไหนก็ตายถ้าหากว่าเราตายในที่เดินจงกรมเนี่ย อาจจะมีคนยกย่องสันริษฐินมากกว่าที่เราไปตามในห้องเอกได้ตัดสินใจถึงขนาดนั้นแล้วก็พยายามเดินให้ได้17ชั่วโมงทุกทุกวันพยายามเดินพยายามสร้างจังหวะมีวันหนึ่งคือเดินมากจนเกินไปเกิดไปนั่งสร้างจังหวะเนี่ย มันปวดท้องขึ้นมาจังหนักเกิดลมตีเท่าปีขึ้นมาจังหนักจนกระทั่งนั่งไม่ไหวมาคิดว่าเอ๊ะเราจะพักไปนอนหรือว่าเราจะทำอย่างไรดีไม่คิดว่าถ้าหากว่าเราไปนอนเนี่ยถ้ามันจะตายมันต้องตายถ้า เรานั่งอยู่เนี่ยถ้ามันจะตายมันก็ตายถ้าเราลงไปเดินเนี่ยมันจะตายก็ต้องตา ย, ตายเพราะว่าในขณะนั้นถึงห้าทุ่มไปแล้วอ่าแสงไปอะไรเงียบไปหมดแล้วแอบพระท่านจําวัดกันหมดแล้วก็เลยตัดสินใจกว่าเอา้าถ้าหากว่ามันจะตายจริงๆเนี่ยก็ขอให้ไปตายที่เดินจบกบแล้วก็พยายามประคองท้องเดินไป ค่อยก้าวขาดเดินออกไปช้าอยู่เพราะว่ามันเทวีขึ้นเทวีขึ้นจากหนักเทวีขึ้นจากหนักในที่สุดค่อยเดินไปเดินมาอยู่นั้นไปมาชั่วโมงหนึ่งเต็มเต็มรู้สึกว่าลมเริ่มยุบลงเริ่มอ่อนตัวลงในที่สุด ก็หายเป็นปกติเลยไม่ได้ตายในที่จงกรมแล้วก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างผ่านอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างผลตกลงมาเนี่ยผลมันจะตกลงมาอย่างไาาางก็ตามก็เดินผ่าฝนอยู่นั้นแหละเดินผาฝนจนกระทั่งว่าผลมันหยุดแล้วก็เดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งที่จงกรมทิ้ง มีน้ำแขะจนกระทั่งแห้งไปเองพยายามทำอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งบัดมีความรู้สึกคือมีสภาวะที่เกิดขึ้นทางกายทางใจจนได้เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติเข้าใจในเรื่องกายเรื่องจิตพอสมควร เรียกว่าการมาปฏิบัตินี้คือได้ปฏิญาณตนจนกระทั่งว่ายอมตายกับการปฏิบัติดีกว่าที่จะไปตายณสถานที่อ่นเมื่อมีสภาวะที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราได้ปริ้มรถสัมผัสกับสภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจผแล้ว ระ้สึกว่ามันมีความรักความโปรดในพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งเห็นคุณของพระศาสนาเห็นคุณของคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื้อถึงคําของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสกับภวคลิว่ายโยธรรมังปัสจติโตมังปัสจ ต, ติซึ่งแปลว่าดูก่อรวคลิ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นสัมผัสผู้ใดไม่เห็นธรรมเนี่ยถึงจะอยู่ใกล้เราจับชายคิวบอนของเราเดินตามเราอยู่ตลอดชีวิตผู้นั้นก็นชื่อว่าไม่เห็นสัมผัสแต่ถ้าหากว่าผู้ใดเนี่ยเข้าถึงธรรมเห็นธรรม ถึงจะอยู่กันคนรับมุมโลกไม่เคยเห็นเต่าเลยไม่เคยได้กินข่าวก็เต่าเลยพวกนั้นก็ชื่อว่าอยู่ใกล้เราอยู่คิดติดกับเราและเดินตามเต่าอยู่ตลอดเวลาแล้วพอสภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นถึงเด้มันนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าและ เกิดมีความรักความเคารพในคําสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเพราะความพระบาลีในตอนนี้ทําให้เรารู้ทําให้เราเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นอยู่ในกายในใจของเราเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่อึดรบของธรรมะก็อยู่ที่กายที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่อึด แล้วรสของธรรมะที่จะเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้ก็มาจากการที่สร้างความรู้สึกเท่านั้นคือมีสติเข้าไปรู้สึกในการเคลื่อนไหวในการปัจจุบันเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นนอกจากวิธีนี้วิธีเดียววิธีอื่นไม่มี ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามถ้าหาว่ามีความรู้สึกตัวยอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายขับใจในปัจจุบันนี้ยจะเกิดสภาวะเช่นนี้ขึ้นมาทุกคนถ้าหาว่าความรู้สึกตัวของเราเพียงพอความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเพียงพอ แล้วเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะปรากฏออกมาให้เกดเราได้รู้ได้เห็นได้ลิ้มรสดีกดังนั้นหลักของการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นตามหลักของมหาสติปัฏฐานสี่ที่องค์กัมเจประสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางแนวทางไว้เ่พระองค์ได้พิชิตมาแล้ว คือการปฏิบัติในแนวทางด้านจิตัจคือการปฏิบัติทางจิตแม้ว่าพราะองค์จะได้ทดลองวิธีการต่างๆมาจนกระทั่งระยะเวลา6กปีแล้วก็ตักก็ไม่สามารถที่จะสาเร็จเป็นพระอรหันต์ัมมาสัมโทธเจ้าได้หรือไม่สามารถที่จะตรัสรู้เป็นอนุตร ส, ร ส, รสัมมาสัมโพธิญาณได้ แต่พอพระองค์มาบำเพ็ญเทียนทางจิตในเทียงคืนเดียวก็สามารถปีติคิดคือสามารถปรนรู้อนุตตรสัมมาสัมปธิญาณได้ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าวิธีการที่เรามากระทำนคือสร้างความรู้สึกที่กายของเราเก็คือการที่เรามาบำเพ็ญเทียนทางจิต เพราะการที่เรามารู้สึกการเคลื่อนไหวของเราที่กายนี้เอาเฉพาะง่ายๆที่กายเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราสังเกตเองได้ที่เราเห็นเองได้เรื่องเวทนาจิตทำให้เราเอาไว้นั่นก่อนเราไม่ต้องไปคิดถึงให้เราสร้างที่กายของเราให้ความรู้สึกที่กายของเรา น, นี้ให้มันชํานานกว่าให้มันเกิดความคล่องความจนานาญ แล้วทุสิ่งทุกอย่างมันจะมาให้เรารู้เราเห็นเองเพราะการที่เรารู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหวของปัจจุบันนี้ก็คือมัจจิมาปฏิปทาทางสายากลางทางสายกลางก็การปฏิบัติเอาง่ายๆว่าการที่เราเนี่ยยกมือขึ้นเนี่ยอะยกมือขึ้นแลบ เอามือตรงเอามือขึ้นมือลงบรรู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหวก็หมายถึงว่ากายของเราประโยชน์ที่ตรงนี้่ะใจของเราประโยชน์ที่ตรงนี้แล้วสติของเราก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของปัจจุบันนี้ของกริงก็อยู่ที่ตรงนี้ตัดจะทำทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ตรงนี้ ให้เราอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาที่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางของการปฏิบัติธรรมเป็นมัจคือเราใช้กายของเราเนี่ยเป็นหนทางแล้วเราเอาสติของเราเนี่เดินตามทางคือกายกับใจเป็รูป ก, กับนามหรือรูป ก, กับนามเนี่ย ในขณะที่เคลื่อนไหวัยปัจจุบันเท่านั้นแหะจึงเรียกว่ามัิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมาอยู่ที่ตรงนี้เพราะถ้าหาว่าเราอยู่ที่ตรงนี้เราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเปทตอาคิดธรรมคือความสุขความทุกข์ความอิจฉาเิเสยพยาบาทความโกรธความข้อความสงถ้ามันเกิดขึ้นมันจะปรากฏมาให้เราเห็นที่ตรงนี้มันจะต้องผ่านมาที่ตรงนี้แน่นอน เพราะเส้นทางเดินมันอยู่ที่กายที่ใจของเราความทุกข์ความตุกอะไรต่างๆเนี่ยมันเส้นทางมันอยู่ที่กายกับใจของเราเมื่อเราเอากายกับใจมารวมไว้ที่นี้แล้วเอาสติมาสัมผัสที่ตรงนี้เราถึงสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของกายของใจของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจหรืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเรา ถ้าหากว่าเราหนีจากตรงนี้เพื่อไคร่ก็หมายถึงว่าเราออกจากทางสายกลางปไปเมื่อเราออกจากทางสายกลางไปเนี่ยเราจะไม่เห็นสิ่งต่างๆที่หรือว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราถ้าเราอยู่ที่ตรงนี้เราจะเห็นสิ่งต่างๆหรืออาการต่างๆที่เกิดกับกายกับใจของเราไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นมันจะต้องผ่านมาที่ตรงนี้แน่นอนให้เรารอดูันจิตที่ตรงนี้ รอดูอยู่ที่ตรงการเคลื่อนไหวในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราจูกับปัจจุบันได้เนี่ยรับรองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องปรากฏออกมาที่ตรงนี้แน่นอนเพราะตรงนี้เป็นทางผ่านเป็นจุดสูงกลางเป็นสมรภพุมที่ดีที่สุดเหมือนกับนายพ่านผู้ที่ต้องการดูสัตว์ป่านานาช น, นิด ถ้านายพานผู้จราดเนี่ยเขาจะไม่ไปหาดูตัดป่าต่างๆตามพุ่มไม้ตามสถานที่ต่างๆเขาจะมุ่งเข้าไปสู่ป่าแสวงหาหนองน้ําที่สําคัญสําคัญในป่านั้นพอไปเจอแหล่งน้ําที่สําคัญน่ะเขาจะขึ้นไปบนต้นไม้สูงๆประทํานั่งร้านอยู่บนที่ต้นไม้สูงๆนั้นพอทําทั่งร้านเสร็จแล้วนี่ก็นั่งนอนคอยดูสัตว์ป่ามันจะทยอยลงมากินน้ำ สัตว์ป่ามีกี่ชนิดกี่ชนิดมันจะต้องลงมาที่นั้นทั้งหมดเดกว่าเขาจะไปสแสวงหาดูตามพุ่มไม้ตามสถานที่ต่างๆการที่ไปดูตามสถานที่ต่างๆตามพุ่มไม้เนี่ยนอกจากกว่าจะเสียเวลาแล้วก็ยังจะไม่เห็นสัตว์ป่าต่างๆทุกชนิดด้วย ดังนั้นการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไปผ่องโน้นไปผ่องนี้ไปอยู่กับความคิดบ้าไปอยู่กับเวทนายบ้างเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นชัดเหมือนกับการที่เราอยู่กับการเคลื่อนไปในปัจจุบันนี้ของกายในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นสิ่งเกีเยรติซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเห็นได้ง่ายกําหนดได้ง่าย ดังนั้นหลาักการของสลวงพ่อเปียนที่ท่านได้บัรจัดเอาหลักมหาสติปัฏฐานสี่ขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับคนในยุคปัจจุบันนี้จึงเป็นทางที่รัดเป็นทางที่ตรัสตรงต่อมรรคผลนิพพานที่แท้จริงเพราะไม่ได้ไปที่ไหนเราไม่ได้ไปพวงเกี่กับ ทางอื่นเรามุ่งมาที่จุดศูนย์กลางมาที่ตรงศูนย์กลางมาที่ทางสายกลางนี้โดยเฉพาะดังนั้นถ้าหากว่าเราอยู่กับทางสายกลางนี้แหละคือตัวสัมมาทิฏฐิก็จะอยู่ที่ตรงนี้เพราะเราเห็นทุกเราจะเห็นทุกเห็นเทตเกิดทุกความดับทุกและหนทางแห่งความดับทุกมันจะปรากฏขึ้นมาที่ตรงนี้ เพราะทุก เ, เกิดทุกความจับทุกผลทางแห่งความจับทุกนั้นมันอยู่ที่กายที่จัตมันจะต้องออกมาที่ตรงนี้เราจะเห็นที่ตรงนี้ดังนั้นหลักของการปฏิบัติที่สําคัญเนี่ยก็คือให้เราอยู่ที่ตรงนี้ให้ได้การที่เราอยู่ที่ตรงนี้ให้ได้เราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วเราจะเห็นได้จังไกนะ่การที่เราจะเห็นได้ก็เพราะเราสร้างความรู้สึกขึ้นมาสร้างสติให้มันมีกําลังขึ้นมาให้สติมันอยู่ให้มันสติมันมั่นคงให้สติมันแก่กล้าให้สติมันแหลมคมให้สติมันไวต่อการเคลื่อนรับรู้ต่อการเคลื่อนไหของกายของใจให้ได้ พราะถ้าเรามาเอาสติมาสัมผัสกับรูปกับนามเนี่ยมันจะเกิดกำลังเกิดอนุภาพขึ้นมาเหมือนกับเราต้องการไปนั่นแน ะ, ะถ้าเราต้องการไปในสมัยโบราณเนี่ยพอตู่แม่ตู่กับพงศิคยเห็นแม่นบอกคือเอาไม้ไผ่สองอันเนี่ยมาสีกันเข้า พอสีกันไปสีกันมามันจะร้อนขึ้นมาร้อนขึ้นมาก็เกิดควันขึ้นมาพอควันขึ้นมาเนี่ยเราจัดเร่งทันทีเร่งให้มันอ่านั่นให้ไฟมันติดขึ้นมาที่ปุย๋ยเอ่าปุ๋ยนุ่นหรือว่าปุยไอ้ที่เราเอาขูดติวไม่ผัดมาทําเป็นปุย๋ยลองสําหรับที่จะให้ไฟติดเรียกว่า เมื่อไฟติดที่ปุย๋ยแล้วเราก็สามารถที่จะได้ไฟนั้นขึ้นมาเตาไปเตาสามารถที่จะขยายไฟนั้นให้ใจโ่โตขยายออกไปเรื่อยๆให้เป็นไฟที่เท้าบอลได้ฉันใดาการปฏิบัติของเรานี่ก็เช่นเดียวกันนี้เราเอาสติเข้าไปสัมผัสกับรูปสัมผัสกับนามแล้วมันจะเกิดพลังขึ้นมาเกิดอานุภาพขึ้นมา ให้เราเกิดพระธรรมขึ้นมาเกิดสินสมาธิขึ้นมาศินสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็จะได้รับผลของพระธรรมลิ้มรสของพระธรรมที่ตรงนี้ขอให้เราพยายามถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปสร้างจังหวะความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นมาได้อารมณ์ของการปฏิบัติแล้วเราพยายามเร่งให้มันถึงที่สุด แล้วกว่าเจ็บอารม์ของการปฏิบัติเราเร่งให้มันถึงที่สุดถ้าหากว่าพอจะได้อารมณ์นี้เราไปหยุดเสียแล้วการปฏิบัติของเรามันจะชะงักลงมาแล้วคอคิดได้เราไปปฏิบัติอีกเนี่ยกว่ามันจะปฏิกเริ่มต้นขึ้นมาอีกก็แปลว่าเราไปเริ่มต้นการปฏิบัติใหม่เนี่ยการปฏิบัติของเรามันจะได้ผลยาก กว่าจะได้ผลกัดเราก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าการที่มันเกิดพลังเกิดอนุภาพขึ้นมากับเพราะว่าเราเอาสติเข้าไปสัมผัสกายนี้เองสัมผัสรูปสัมผัสนามนี้เองถ้าเราเอาสติไว้อย่างหนึ่งเอาลูกไว้อย่างหนึ่งเอานามไว้อย่างหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวอย่างใดเราจะเคลื่อนไหวอย่างใดมันก็ไม่เป็นการปฏิบัติขึ้นมาได้ ให้เราเนื้อดูสิว่าการที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยพเราเคลื่อนไหวมาจนจะเกิดจนกระทั่งวัดเราอายุปูนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เอาความรู้สึกเข้าไปสัมผัสไม่ไดเอาสติเข้าไปสัมผัสกับรูปกับหนักมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราเอาไม้ไผ่ันเลียงกันไว้เฉยเ เราเรียงกันไว้ตลอดกระทั่งว่าไม้ไผ่มันขูไปพังไปมันก็ไม่ได้เกิดไฟอะไรขึ้นมาที่มันเกิดขึ้นไปขึ้นมาเพราะเราเอาไปสีกันไปสัมผัสกันแล้วมันก็เกิดไฟขึ้นมาดังนั้นการปฏิบัตินี้มันถึงมีจุดสําคัญจุดที่การที่เราจะเอาความรู้สึกเข้าไปสร้างความรู้สึกที่ทการเื่อนไฟในปัจจุบันนี้เอง ถ้าหากว่าเราอยู่ที่จุดนี้เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเพราะการที่เราอยู่จุดนี้ได้ก็คือการที่เราทำเหตุของเราให้ดีแล้วเมื่อเหตุของเราดีเนี่ยผลมันก็จะออกมาเองปรากฏออกมาแกเราเองเราก็จะได้ลิ้มรสได้สัมผัสกับรสพระธรรมในปัจจุบันใชาตินี้ไม่ช้าก็เด้ ดังนั้นก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านเนะี่ยนักปฏิบัติจะต้องไม่ทิ้งจุดนี้ไปต้องอยู่ที่จุดนี้จะต้องเดินตามจุดนี้ไปถ้าเราลงสู่จุดนี้ได้ก็หมายถึงว่าเราขึ้นสู่ทางไฮเวย์ได้แล้วไม่มีทางหลีกถ้าเราหลีกออกจากทางไฮเวย์ก็หมายถึงว่าเราจะไม่ถึงจุดนั้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าเราอยู่จุดนี้เราก็จะต้องถึงสถานที่ที่เราต้องการเราปรารถนาะไม่วันใดวันหนึ่งก็วันหนึ่งดังนั้นการที่พูดมาในวันนี้ก็นับว่าสมควรเจ่วเวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านเนี่ยจงตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุถึงจุด หมายปายทางของเราที่เราตั้งเอาไว้ปรารถนาเอาไว้แม้ว่ามันจะยากลําบากถึงเพียงใดก็ขอให้เรามีความตั้งใจอยู่สมุดว่าการปฏิบัติมาปฏิบัติอยูนะ่ณสถานที่นี้เราจะต้องเป็นผู้สึ่งที่เดินทางถึงจุดนั้นเราจะต้องนับตัวเองเป็นคนแรกดังปลีที่ว่า กุเรอหังกุเรอหังกุเรคือว่าเรากอดเรากอดคือตั้งใจว่าเราจะต้องเอาให้เข้าถึงสภาวะนั้นกอดคัว้วทุกทุกคนที่ภาในสถานที่นี้ไม่ว่ามันจะยากไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคมากมายั้งเท่าไหร่ก็ตามเราก็พยายามที่จะถึงจุดนั้นได้ด้วยความเพียรเท่านั้น ดังที่พระบาลีว่าวิริยทุกขมัเจติคนจะท่วงภุกได้เพราะความเพียรคนจะพ้นจากสภาวะที่เป็นทุกทางด้านจิตใจได้เพราะความเพียรต่านั้นก็ขอให้ญาติโยมทุกคนมีสติปัญญาสาภาพอย่างรู้สัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจเจริญอยู่ภายใต้โปตองของพระพุทธศาสนา เป็นพลังสำคัญที่จะช่วยเสลือพระพุทธศาสนาให้ยืนยงคงอยู่จากช่วนิสันโดยทั่วกันเธ อ, อ